ท่านสาธุรชนทั้งหลายวันนี้จะได้พูดถึงประสูตรใหญ่อีกประสูตรหนึ่งเรียกว่ามหากรรมวิ่พังคระสูตรคือเป็นประสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงจำแนกเรื่องกรรมออกไปโดยพิสดารแต่เป็นการประทานหลักอย่างสำคัญสำคัญเอาไว้แล้วก็มีรายละเอียดที่เอาจะกำหนดยาก ถ้าหากว่าบุคคลสามารถจับประเด็นเข้าใจในหลักแห่งพระสูตรนี้แล้วเวลามีปัญหาเรื่องกรรมซึ่งบางครั้งบางคราวเป็นเหตุผลที่เราหาไม่ได้ว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นก็าสามารถที่จะนำหลักที่ทรงจำแนกแสดงไว้ในมหากรรมวิบังคสูตรนี้ไปตัดสินวินิจฉัยได้ตามสมควรแก่ก ร, รณีดัง น, นั้น มีข้อความมันเป็นเบื้องต้นว่าเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่ประเวรุวันกลันทกะนิวาปสถานปริพาชกท่านหนึ่งชื่อว่าโปรตริท่านเดินไปเดินมาก็ไปพบกับภิกษุนมรูปหนึ่งชื่อท่านสมิทธิเมื่อเข้าไปแล้วท่านก็บอกว่าท่านได้ยินว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่า กายกรรมนั้นเป็นโมฆะวจิกรรมก็เป็นโมฆะมโนกรรมเท่านั้นเทียบหน่วยผลให้จริงๆท่านสมิธิท่านก็คัดค้านบอกว่าท่านอย่าพูดอย่างนั้นพระพูดอย่างนั้นเป็นการกล่าวตูพพ่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้แส ด, แดงอย่างนั้นท่านโปตตลิปริภาชกก็ถามว่า ว่าคุณเจ้าสมิธินี่บวชมากี่พรรษาแล้วท่านสมิธิบอกว่าบวชมันได้สามพรรษาปรีภาชกก็บอกว่าขนาดภิกษุบวชมาสามพรรษายังป้องกันอารักขาศ า, าสดาของตนขนาดนี้จะพูดอะไรกับพระเถระที่บวชนานกว่านี้แล้วท่านก็หยอดคําถามตอนสุดท้ายไว้ข้อหนึ่งว่า บุคคลมีความจงใจกระทํากรรมด้วยกายด้วยาจาและด้วยใจเขาจะได้รับผลเป็นอย่างไรท่านสมิธิก็บอกว่าได้รับผลเป็นทุกข์ท่านโปตอลิก็เฉยเสร็จแล้วท่านก็กลับไปท่านสมิธีเองนั้นไม่มั่นใจทั้งหมดที่ท่านพูดมาเพราะท่านเป็นพระใหม่โดยก็ไปกราบเรียน ให้พระอานุ์เถระทราบทั้งหมดจากการที่ท่านคุยกันกับท่านโอตลิปริพาชกพระอนุ์ท่านก็บอกว่าเออมันก็มีเหตุผลคือเรื่องราวขนาดนี้ควรจะเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าและกราบทูลถามให้พระองค์ทรงจำแนกสแสดงเองในที่สุก็ไปเฝ้าเมื่อไปถึงกราบทูลข้อความทั้งหมดได้ทรงทราบแล้ว พระเจ้าก็ตำหนิท่านสมิธิว่าหลวมไปคือตอบปัญหายัางละลวมมันเปิดช่องแล้วก็มีจุดบกพร่องอยู่ทีนี้ก็มีพระอีกรูปหนึ่งชื่อพระอุทายีก็ก่าวสอดขึ้นมาในตอนนั้นประการที่ท่านสมิธิพูดอย่างนี้มันก็หมายความถูกต้องแล้วเพราะว่า เ, เวทนาทั้งหมดเนี่ย มันก็เป็นเรื่องของทุกขเวทนาทนั้นพระเจ้าก็รับสั่งตำหนิบอกว่าพลงขึ้นโดยไม่มีเหตุผลเป็นการกล่าวในลักษณะพลงขึ้นมาโดยขาดเหตุผลได้รับสั่งแสดงว่าปริพาชกนอกาศาสนานั้นก็มีพื้นความเข้าใจในาศาสนาธรรมไม่ลึกซึ้งพอการจะพูดอะไรไม่ ให้ไม่ได้แยกแยะให้เด็ดขาดลงไปจะเกิดความสับสนในการทำความเข้าใจและในการประพฤติปฏิบัติของเขาได้เราขอให้ระมัดระวังแล้วก็รับสั่งว่าผูกบริพาโชคนี่ไม่มีโอกาสที่จะเข้าใจเรื่องการจำแนกกรรมโดยพิสดานของพระองค์ได้รานรนก็กราบทูลให้พระพุทธเจ้าทรงจำแนกกรรมโดยพิดาน เนื่องจากข้อความในตอนต้นนี่มีหลายประเด็นที่น่าศึกษาสําหรับชาวพุทธเรา <Yeah. S 1> เก็จะเห็นจะตัดตอนออกเฉพาะตอนนี้ก่อน <Yeah. S 1> ตอนแรกก็คือเรื่องของพระเวรุวัน <Yeah. S 1> เป็นเหตุผลทางประวัติศาสตร์อยู่หลายเรื่อง <Yeah. S 1> ซึ่งก็น่าศึกษา <Yeah. S 1> เวรุวรวณนั้นเราเรียกว่ากาันทกะนิวาปสถานแปลเป็นไทยว่าสถานเป็นที่ให้เหยื่อแก่กระแต หรือกิ้งกะตำนานความเป็นมาของอุทยานแห่งนี้ว่าในอดีตการนานไกลพระาชาพระองค์หนึ่งได้เสด็จไปประพาสอุทยานแล้วไปประทับพักผ่อนคือเหน็ดเหนื่อยก็ไปหลับอยู่ริมต้นไม้ต้นหนึ่งงูที่อาศัยอยู่ที่ต้นไม้ <c oughs> ก็ออกมาจะกัดพระราชา ไอกระแต่ที่อยู่บนต้นไม้เห็นข้าวก็ร้องประชาชาก็ตื่นขึ้นเป็นน้ารอดปลอดภัยจากอันตรายเหล่านั้นก็มาอุสอนคิดว่าพระองค์ได้ชีวิตในคราวนี้ก็เพราะว่ากะแตตัวนี้มันร้องขึ้นก็เลยให้อาหารเป็นเหยื่อแก่กระแตมาตลอดเป็นประเพณีที่รักษาสืบต่อกันมาเรื่อยๆ แม้กษัตริย์ในราชวงศ์อื่นที่สืบราชสมบัติต่อจากราชวงศ์นั้นก็รักษาประเพณีนี้ตลอดมาก็เป็นอุทยานที่มีกระแตอาศัยอยู่เป็นอันมากข้อนี้ท่านทั้งหลายจะเห็นลักษณะเด่นของพัฒนาการในด้านจิตใจสำหรับประชาชนในชมพูทวีปยุค ก, ก่อนพุทธกาลว่าคนเหล่านี้ได้ผ่านยุคผ่านสมัย ที่จิตใจได้รับการพัฒนาขึ้นไปสูงมากถ้าหากว่าเรามองดูหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในด้านความคิดและความสํานึกถึงสิ่งแวดล้อมจะพบจุดเด่นตั้งหลายเรื่องซึ่งแต่และเรื่องบางเรื่องในปัจจุบันให้เราข้าวก็ไม่ถึงเลยจนยกตัวอย่างความสํานึกคุณความสํานึกคุณหรือกัตัญญูกเตเวทีที่ว่าเนี่ย เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของคนเหล่านี้สูงมากมีภาสิทธิ์อยู่บทหนึ่งที่ไพเราะเป็นการกล่าวของพ่อค้าเกวียนที่ได้ไปอาศัยร่มเงาของต้นไม้แล้วเกิดความสำนึกคุณของต้นไม้ท่านกล่าวไว้ว่า บุคคลนั่งนอนภายใต้ร่มเงาของต้นไม้ใดไม่ควรแม้แต่จะทําลายกิ่งแห่งต้นไม้นั้นเพราะคนกระทําเช่นนั้นเป็นผู้ประทุษร้ายมิตรนี้แสดงให้เห็นถึงว่าความสํานึกคุณได้อย่างรากลึกลงไปภายในจิตสํานึกของท่านดับ่นั้นมองเห็นอุปกรารคุณแม้เพียงเล็กน้อยคือขนาดว่าเคยได้อาศัยร่มเงาของต้นไม้เท่านั้น แต่ท่านก็เห็นว่าต้นไม้มีอุปการคุณที่ให้ความอบอุ่นความปลอดภัยแก่ท่านในระยะหนึ่งจึงแนะนําสั่งสอนบริวารของท่านไม่ให้หักกิ่งของต้นไม้นั้นพระราชาพระองค์นี้ก็ทํานองเดียวกันไอ้ตุ๊กแกนั้นแกอาจจะร้องขึ้นตามประษาของตุ๊กแกก็ได้หรือเพราะเหตุผลแกเห็นงูก็ได้แต่ความสำนึกจะไกลออกไปจนถึงจะช่วยชีวิตราชานั้นก็คงจะไม่ถึงหรอก แต่ว่าพระราชาท่านก็เชื่อมโยงให้เห็นว่าไอเหตุผลในการกระทําของเขาเป็นอย่างไรก็ตามแต่ว่าผลนั้นมากระทบที่พระองค์ว่าทําให้พระองค์รอดปลอดภัยจากกระแตและในที่สุดก็ได้ให้อาหารแก่กระแตเป็นการตอบแทนอุทยานส่วนนี้จึงชื่อว่ากัลันทะนิวาปสสถาน แปลว่าสถานเป็นที่ให้อาหารหรือให้เหยื่อแก่กระแตตามปกติท่านแบ่งเป็น3มส่วนคือส่วนจากด้านในไปจาริมถนนไปด้านในในปัจจุบันด้านในเนี่ยข้างในเขาเรียกว่าโมระนิวาปสถานเป็นที่สถานเลี้ยงนกอยู่แล้วอีกด้านด้านหัวของเวรุวันเนี่ยในสวนไม้ไผ่เนี่ย เรียกว่าสีตะวันคือเป็นป่าช้าที่ทิ้งผีดิบในสมัยก่อนส่วนที่เขาถวายเป็นอารามสําหรับพระพุทธเจ้าคือพระเจ้าพิมิสานถวายในคราแรกก็คือส่วนที่เรียกว่ากัลันติกะกัลันตกะนิวาปะสถานคืออยู่ด้านนอกสถานที่นี้จึงมีชื่อปรากฏในคัำพีพระพุทธศาสนาเป็นนันมากแล้วก็มีเรื่องราวเล่าสู่กันขวางหลายเรื่องด้วยกัน ปัจจุบันนี้ก็กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของชาวพุทธที่จะริกไปอินเดียก็ต้องไปในสถานที่นี้เราเราถือว่าเป็นอารามแห่งแรกในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าเคยประทับอยู่เป็นเวลานา น, านและโดยเฉพาะก็คือตอนเข้าไปเผยแผ่ศาสนาอยู่ในกรุงรชาชสุดนี้ก็ตอนหนึ่งตอนต่อไปก็คือเรื่องของนักบวชนอกพระศาสนา นักบวชประเภทปริพาชกเป็นนักบวชประเภทที่นุ่งขาวห่มขาวตามปกติก็จะเที่ยวเร่ร่อนไปในที่ตา่างๆชอบโต้ตอบชอบถกเฉียงชอบแสดงวาทะโวหารบางคนมีโวหารที่เป็นคำถามคำตอบถึงพันข้อบางคนมีถึงห้าร้อข้อแต่พันข้อก็เรียกว่าสหัสสวาฏะ แสดงว่าเก่งมากปราดเปรืองมากแต่พึงสังเกตว่าท่านเหล่านี้ไม่ได้อย่างถึงตัวอัฏฐะคือความหมายหรือเนื้อหาของไอวาทะที่ท่านนําไปโต้อตอบเท่าไหร่หรอกถ้าที่สังเกตในคัมภีร์ตั้งหลายแห่งด้กันทั้งในพระไตรปิฎกและอัจฉริยปรากฏว่าเราก็หักมุมออกนอกนิดเดียวท่านติดแล้แต่ถ้าท่านท่องมาแบบนกแก้วนวกขุนทองเป็นความจําระดับหนึ่งเป็นปัญญาระดับที่เราเรียกว่าสัญญานะ เป็นความจําแบบสัญญาคือหมายความว่าถ้าปล่อยให้ว่ากันรุ่นรุ่นอย่างนั้นท่องจํากันมาอย่างนั้นแล้วเท่าไรเท่ากันแต่พอท่านหมดวัฏทะท่านก็หมดภูมิเหมือนกันเคยพบท่านผู้หนึ่งเรียนศาสตร์สวาทะเป็นผู้หญิงชื่อกุณทนเกสีเก่งมากแกเที่ยวท้าโต้ะเขาทั่วบ้านทั่วเมืองจนเขาเรียกว่าชำภูกาคือผู้พิชิตชมภูทวีปเก่งมาก แม่แกก็เป็นปริภาชิกาพ่อก็เป็นปริภาชกแลวก็มีสูตรแปลกนะฮะพวกนี้พวกเรียนศาสสวาทะแล้วก็ดูไม่ค่อยติดใจในเรื่องพรหมจันทร์เท่าไรเพราะว่าอย่างผู้หญิงที่เป็นปริภาชิกาหรือปริภาชกผู้ชายที่เป็นปริภาชิกาเนี่ยเป็นปริภาชกเนี่ยถ้าไปโตวาทะกับใครถ้าคนนั้นเป็นผู้ใหญ่กว่าเป็นคณาจารย์เจ้าลชัชช ก็จะขอเข้าบวชในสำนักของท่านผู้นั้นเจนภาษารีบุตรพระโมคคัลลานะนี่ก็เป็นปริภาชกมา ก, ก่อนมาเกิดสถาเรื่อมสายก็เข้าบวชในสำนักพระพุทธเจ้าดูไม่เคยเกาะตัวเป็นรูปไอ้สถาบันอะไรเทลายเราและทีนี้ถ้าหากว่าระหว่างปริภาชกหรือปริภาชิกาที่ไปโต้แล้วไปแพ้คนอื่นสมมุติว่าควายผู้หญิงไม่ท้อแพ้ โตแพ้ผู้ชายผู้ชายไปโต้แพ้ผู้หญิงก็ยอมแต่งงานกันกับฝ่ายนั้นทีนี้ถ้าเป็นปริภาชกปริภาจิกาด้วยกันแล้วก็เกิดแพรกันนะมันก็แต่งงานกันก็เรียกว่าก็ไม่มีใครขาดทุนหรอกเอ่อตกลงว่าคู่นี้กระโต้กันแล้วก็แพ้นะฮะคือผู้ชายแพ้ก็แต่งแต่งงานกับผู้หญิงผู้หญิงแพ่ก็แต่งงานกับผู้ชายมันก็ก็เรียกว่าก็ต่างคนต่างไม่ได้ไม่เสีย คู่นี้เขาก็แต่งงานกันแล้วพอมีลูกเนี่ยเขาให้ลูกเรีย น, เ ร, ยนเรียนมนเป็นาศาสสวาฒนะนางกุณฑลเกษีนี้ได้ไปเรียนในสำนักพม่านะเนี้ยไม่ใช่ลูกเราลืมไปท่านเป็นลูกเศรษฐีอีกคนหนึ่งเราเป็นลูกไปเรียนาศาสสวาฒะนี่โตไปเยอะแยะเลยไม่มีใครโต้ตอบได้ไปไหนก็ถือกิ่งริ่งว่าไปปักไว้แล้วท้าทายให้คนมาโต้ตอกับท่าน แนวสูตรเดิมนะฮะสูตรเดิมก็ปรากฏว่าใครโต้กับท่านแพ้ทุกคนเนี่ยกลายเป็นชัมปูดีกาชัมผูกกาผู้พิชิตชมพูทวีปปรากฏว่าที่ท่านโต้ชนะทุกครั้งเพราะท่านจําได้แต่อพอออกมานอกเรื่องนิดเดียวไปโต้กับภาษาริบุตรใครๆก็กลัวนางนะไปที่ไหนก็กลัวกันหมดนางชัมผูกามาแล้วก็ ภาษาดิบุตรไปเห็นข้าไปเห็นกิ่งว่าคนมาล้อมดูกันเต็มทั้งกระถาท่านเขาทาอะไรคนก็เรียนให้ท่านทราบท่านบอกให้ถอนทิ้งคือหมายความว่าถ้าใครกล้าถอนก็หมายความว่ากล้าโต้กันท่เป็นสัญญาณท่านก็บอกให้ถอนแล้วนางก็ไปโต้ถามวาทะทั้งหมดนะฮะภาษาดิบุตรท่านเป็นปริพาชกเกล้าท่านก็ถามได้ถามตามล็อกขเขาฮะเ้าก็ตอบได้หมด พอถึงคราภาษาดิบุตรถามคําเดียวให้แกติดนะติดคือนอกสูตรนอกจากพันโบสถแกก็ติดนะภาษาดิบุตรถามว่าอะไรชื่อว่าเป็นอย่างอีกติดติดก็ยอมบวชเป็นภิกษุณีอราหันต์ที่มีชื่อเสียงมาก ท, าท่านพวกนี้คือกุณฑลเกสีนี่คือผู้ปริพาชกเป็นนักบวชประเภทเด่งพระพุทธศาสนาเราเองไม่ถือว่าคนเหล่านี้เป็นมิจฉาทิฏฐิแรงอะไรนะคร ถ้าหากว่าเขาจะเข้ามาบวชก็ให้บวชได้เลยตามปกติถ้าเป็นนักบวชนอกพระพุทธศาสน า, สนาเขาเรียกว่าต้องอยู่ติทยะปริวาสก่อนสเดือนทดสอบดูก่อนมันศรัทธาจริงหเปล่าแต่ถสมมาพวกนี้ไม่ต้องพวกนี้ให้บวชได้เลยคือปกติแกแกก็เกาะตัวล้มรว ม, วมอย่างที่ว่าเนี่ยะไรทิฏฐิอะไรก็ไม่รั้นอะไรทั้งหรือพร้อมที่จะเรียนพร้อมที่จะฟังพร้อมที่จะศึกษาปฏิบัติใครดีก็ไปยอมเป็นลูกศิษย์ ยอมเป็นสามียอมเป็นผู้รับใช้ก็แล้วแต่แต่ก็มากจำนวนมากนะบทพวกนี้ท่านโปตลิปริภาชกก็เหมือนกันเราเป็นปริภาชกเป็นนักบวชในกลุ่มนี้ให้ท่านสังเกตว่าท่านโปตอริเริ่มมาด้วยคําถามซึ่งมหากรรมวิพังกสูตรนี้ต้องจําคือคํามันนิดเดียวตั้งเองคํามันเปลี่ยนอย่างคำสองคำตั้งเองซึ่งจะต้องกําหนดได้ดีท่านบอกว่ากายกรรมเป็นโมฆะ วจีกรรมเป็นโมฆะมะโนกรรมเท่านั้นที่เป็นจริงซึ่งอำนวยผลให้แก่ผู้ประพฤติปฏิบัติจะเห็นได้ว่าในแง่ของคำพูดคล้ายๆมันเป็นจะเป็นไปได้แต่แง่ของการปฏิบัติแล้วก็เป็นไปไม่ได้เพราะกายกรรมที่บุคคลกระทําลงไปนั้นเมื่อประกอบด้วยเจตนามันก็เป็นทั้งกุศลและอกุศล ปจิการมันก็เป็นทั้งอกุศลนะอกุศลมนโนกรรมมันก็เป็นทั้งอกุศลอกุศลเพราะงั้นทั้งหมดจึงมีผลจึงมีผลตามสมควรแก่กรรมที่บุคคลได้กระทาไว้แล้วขึ้นอยู่กับเจตนาที่เป็นเหตุให้กระทํากรรมนั้นๆเป็นประการสําคัญพระสมิธิโต้ตอบห้ามไม่ให้พูดไม่ให้กระทําอย่างนั้นท่านทั้งหลายจะเห็นว่าพระษาวกในสมัยพุทธกาลในขนาดพรนสาสามเท่านั้นนะครับ ใครมากราวบิดเบือนพระพุทธวจนะก็มีการโต้อตอบแล้วในการปกป้องกันพระธรรมป้องกันพระพุทธกันแล้คือแสดงว่าท่านไม่ยอมให้ใครมาล่วงละเมิดมาบิดเบือนอสศาสนธรรมของท่านมาลบหลู่ศาสนาของท่น า, า, สานะะสามบรรสานะครับสามบรรสานั้นเองแล้วก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะเป็นภิกษุเท่านั้นพุทธบริษทัททั้งสี่ก็ทาหน้าที่นี้ แนวของพุทธจึงไม่ใช่ว่าแนวอุเบกขาคือไม่รู้ไม่ชี้แนวที่เรียกว่าไม่รู้ไม่ชี้ไม่ได้ท่านโปตอร์ปริพาฒชกเองท่านก็ประทับใจพอสมควรการตีพระหนุ่มภาษาเพียงสามภาษาท่านั้นซึ่งสมัยนั้นก็คงจะไม่แตกฉานอะไรมากนะฮะเพราะท่านสมิธี่นี่มีเรื่องกันท่านท่านแยะบางเรื่องท่านก็ต่านก็หลวมๆอย่างเงี้ยในประสูนย์มีอยู่หลายสูตรท่านหลวมๆเวลาท่านพูดอะไรแต่ว่าถ้าใครมาแตะต้องพระพุทธธรรมประสงค์ไม่ได้ ส่วนธรรมะเองท่านก็เข้าใจไม่ค่อยจะลึกซึ้งอะไรเท่าไรหร่รเวลาท่านโปรตอริได้ยินเชนั้นท่านก็บอกว่าขนาดภิกษุ 3, สามพรรษาเนี่ยป้องกัน ร, รักษาศาสตาของตนเองขนาดนี้นับภาษาอะไรกับพระเถระผู้ใหญ่ตึัหมายความว่าผู้ใหญ่นี่จะต้องป้องกันสูงกว่านี้ใครจะไปจ่วงจาบใครจะไปละเมิดพระพุทธเจ้าไม่ได้แต่เราสังเกตว่า แต่การทําในลักษณะนี้ไม่ใช่ทําด้วยกิเลสนะอย่าไปคิดว่าทําด้วยกิเลสไม่จําเป็นจะต้องมีกิเลสยิ่งไม่มีกิเลสยิ่งทําได้มากการที่ประมหากัจเจปะคิดสังขายนานั้นเริ่มสังขายนามันก็ประโยคให้การสั้นๆ ส, สองประโยคท่านั้นเองนะเป็นคําพูดสองประโยคท่านั้นทันสุภัทธาอุทธบปไปชิดเมื่อได้ทราบข่าวว่ารูปเจ้าไปนิพพานพิสูจทั้งหลายที่เป็นพุทุชนก็ร้องให้ พระอริยะก็มีธรรมสังเวทท่านก็เข้าไปปลอบพระพุทุชนบอกร้องไห้ทำไมตอนนี้สบายแล้วเมื่อก่อนพระพุทธเจ้ายังทรงประชนอยู่ข้ามเราอย่าทำอย่างนี้อย่างนี้ควรแก่พวกเธออย่างนี้ไม่ควรแก่พวกเธอเราเกรงใจก็ต้องทำตามตอนนี้พุทธเจ้านิพพานเราสบายเลยอยากจะทำอะไรก็ทำไม่ต้องการทำอะไรก็ไม่ต้องทำเท่านี้นะฮะ พูดเท่านี้แหละแต่ท่านต่างหลายจะเห็นว่าคือล้มศาสนาเลยนะฮะพูดอย่างนี้มันล้มพระศาสนากันเลยพระหมหาสัปะพระอาราหันต์ระดับมหาสาวกผู้เท่าได้ยินข้าวในท่านจะรื้อฟื้นขึ้นตรงนั้นเลยจะจัดการตรงนั้นเลยแต่พอดีมันจะต้องรีบไปให้ทันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระโดยก็ระงับเรื่องไว้พอถวายพระเพลิงพระพุทธสรุรีละเสร็จก็ยกเรื่องนี้ขึ้นในที่ประชุมสงฆ์ ดูประโยค์ขนาดนี้แต่ว่าท่าน่าลืมนะถ้าเอาว่าพุทธบริษัทเราเนี่ยให้พระพุทธเจ้าว่าอย่างไงอยากทำก็ทำมาอยากทำก็ไม่ทำมันก็ล้มาศาสนาแล้วแต่อย่างนั้นนะเพราะอะไรเพราะสิ่งที่พุทธเจ้าสอนมันทวนกระแสกิเลส ท, ทั้งหมดในี่ใครเป็นอยากทวนกระแสกิเลสห้ามฆ่าสัตว์นี่ทำยากจ้ะทานห้ามลักทรัพย์ทำมาพืชปิดในกามนี่ห้ามหมดอมันทายากก็คใครก็ไม่อยากทวนกระแสกิเลสแต่ถ้าพุทธบริษัทมีความรู้สึกว่าพระพุทธเจ้าสอนไว้ยอย่างนั้น เราท้าก็ได้ไม่ท้าก็ได้มันก็หมดฮะสีนุบุตเจ้าบัญญัติไว้อย่างนี้ปฏิบัติก็ได้ไม่ปฏิบัติก็ได้าศาสนามันก็อยู่ไม่ได้แล้วอย่าลืมว่าแนวความคิดนี้คือล้มาศาสนาพระมหาสัปปะท่านจึงต้องประรบเพจขึ้นเป็นการทําสังฆญนานี่คือครั้งที่หนึ่งเพราะฉะนั้นท่านสมิที่เองนั้นท่านเป็นพระอุทุชนนะฮะเป็นพระอุถุชนเป็นพระธรรมดาแล้วเป็นพระเด็กด้วยสามรญศาสน์นั้นเอง แต่ท่านเห็นว่าการพูดเชนั้นไม่ถูกเป็นการบิดเบือนพระพุทธวัชณะซึ่งเราในฐานะที่เป็นภิกษุเล็กๆพรรษาสามเนี่ยท่านก็ต้องแก้แหละซึ่งต้องช่วยกันรักษ า, าศาสนาช่วยกันรักษาพระพุทธเจ้านั่นเองเป็นแบบนะฮะเป็นแบบที่ทํามาตั้งแต่สมัยพุทธกาลหมายความว่าพุทธศาสนิกจะต้องรับผิดชอบต่อาศาสนธรรมต่อพระพุทธเจ้าต่อต่อพระรัตนตรยัยสรุปต่อพระาศาสนา อร์ปรตนี์ก็แสดงความชื่นชมให้เห็นนะครับเพราะอย่างที่อามาบอกแล้วว่านักบวชประเภทปริภาชกเป็นนักบวชที่ดีไม่มีปัญหาพวกนี้ไม่ใช่พวกนักบวชฮัตนักบวชที่ไม่มีปัญหาอะไรคนเรียบร้อยพอเสร็จแล้วท่านก็ถามท่านจะท่านลราสังเกตการถามปัญหานะว่าถ้านักบวชนอกาศาสนาเนี่ยเราต้องระมัดระวังในถ้อยคา ม, มากเลย มันพลาดนิดเดียวแต่นั้นเองฮะลมละลายได้อย่างเนี้อย่างวันก่อนที่มีที่ต่างจังหวัดเมื่อวานเนี่ยมาก็เอาไปพูดที่วัดโพวิชาบ้านนี่ซื่อเกินไปไปเขียนป้ายตัวเบื้เริ่มออกมาตอนรับธนายกไม่มีใครจะรักพวกเรายิ่งกว่าป้าอีกแล้วมันพังตัวเองนะเขียนอย่างนั้นได้ที่ไหนแล้วแล้วในหลวงล่ะสมเด็จยา่านะพระราชินีน่ะ หายไปไหนเราที่พูดอย่างนั้นได้เป็นไรนี่เราเราจะเห็นว่าประโยคนิดเดียวเนี่ยมันล้มตัวเองเนะล้มตัวเองเลยเขียนป้ายเบลอิ่มเลยออกมาโทรทัศน์ออกหนังสือพิมพ์อะไรแต่ะะไรเกลื่อนหมดนี่คือถ้อยคําที่มันคําเดียวแต่ น, นั้นเองะแต่มันมันมันล้มลางอะไรได้เยอะแยะเพราะงั้นในการโต้อตอบในด้านวาทะเนี่ยพระพุทธศาสนาจึงระมัดระวังมากต้องสังเกตถ้อยคำเขาให้ชัดเลยวันี่เขาพูดว่าเขาพูดมาอย่างไง ท่านถามเปอร์เิปริพาชกนั้นถามว่าบุคคลมีเจตนากระทากรรมทางกายทางบาาัญาและก็ะทำใจเขาจะรับผลเป็นยังไงพระสมิธีตอบหลุดพลุ่งลงไปรับผลเป็นทุกข์ไม่รู้ทํากรรมอะไรอ่ะผลเป็นทุกข์ได้ยังไงตรอก็ถ้าถามมีเจตนาเฉยๆนะเจตนาเป็นกุศลก็มีเป็นอกุศลก็ ม, กกมีกลางๆก็มี เจตนามีทั้งสามทางนะแล้วก็ทําออกไปทางกายก็มีวาจาก็มีใจก็มีเพราะฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเจตนามันเป็นยังไงเจตนาประกอบด้วยความโลภกระทอาออกไปทางกายก็เบียดเบียนตนเองเบียดเบียนคนอื่นทําในวาจาก็พูดไปเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนคนอื่นจิตใจก็มีความทราบหมออันนี้ก็มีผลเป็นทุกข์เพราะเราต้องโยงให้ตลอดสายของเขาต้องโยงให้ตลอดสายของเขาว่าตรงจุดเขาถามเรื่องอะไรให้เห็นว่าคําถามนั้นมันมีลักษณะลวง คำถามนั้นมีลักษณะหลวงถ้าเราหลงแล้วก็หลงเรียบร้อยเลยท่านจะมิทิหลงหลงทางเลยก็พัวเข้าไปที่พระพุทธเจ้ารับสั่งว่าหลวงไะจะมิทิพูดหลวมไปพระอานนท์ท่านโปตลิเองนั้นท่านก็พอจะรู้แหละแต่ว่ายานตมาบอกว่าท่านเป็นนักบวชประเภทดีคือไม่ไม่ไปอาศัยซ้ำเติมเด็ก คือพระบวชพระหนุ่มบวชแต่น้อยนะฮะยังไงยังไง ท, ท่านท่านทําได้ขนาด น, นี้ท่านก็เก่งไม่เบาแล้วแหล ะ, ะท่านไม่ปฏิเสธแต่ก็ไม่คัดค้านเดี๋ยว ก, กลับไปกลับไปเฉยๆพระสมิธินั้นเป็นผู้ใคร่ต่อการศึกษาอย่างน่ารักนะฮะท่านเองก็ไม่มั่นใจแต่หมายความมาก็เต็มสติกาังของท่านแล้วแหละที่ทําไป ในภาวะาเผชิญหน้ากันเช่นนั้นท่านทํำได้เช่นนั้นท่านก็ถือว่าหมดสิ้นสติปัญญาแล้วแต่ไม่รู้ถูกหรือผิดแหละก็ต้องไปเรียนถามพระเถระเสก่อ น, นไม่ถามพระอานุนพระอนุ์ว่ากันตามความเป็นจริงนั้นท่านพอจะรู้นะฮะว่าพระสมิธิหลวงพระท่านก็บาดเปื้อนในรับเอตตะคาทั้งห้าอย่างแต่ว่าเหตุเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องใหญ่เพราะอะไรเพราะว่าไปพูดโต้อ ต, อตอบกับนักบวชนอกศาสนา มันมีลักษณะที่มินเมย์มากถ้าเราเกิดพลาดเราก็พลาดได้แล้วก็ควรจะให้พระพุทธเจ้าเองดีกว่าวางหลักท่านก็บอกว่าเออนี่มันข้าวทีนะเรื่องมันสมควรนะควรจะไปฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็พร้อมกันไปฝ้าพระพุทธเจ้ารับสั่งว่าหลวมทําไมถึงหลวมอย่างด้วยเหตุผลอย่างที่ว่ามาแล้วนั้นประการหนึ่งนะวิธีตอบกานตอบปัญหาแนวของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่เราจะตอบแนวเดียวเรื่อยไป คือใครถามตอบใครถามตอบใครถามตอบไม่ได้บางอย่างเราไม่ต้องตอบเลยไม่ต้องตอบเลยแต่เราใช้วิธีการต่างๆซึ่งพระพุทธเจ้าทรงจำแนกทรงมีนะฮะไม่ใช่ทรงจำแนกหรือเราเถือว่าจะทรงจำแนกก็ได้ทนระงมีวิธีการในการตอบปัญหาอยู่4วิธีด้วยกันวิธีแรกเราเรียกว่าเอกังสะพยากรคือพยากรเป็นแนวเดียวไม่ว่ายังไงเลยคืออย่างนี้ทุกทีใลเจนว่าชาต เป็นทุกชราเป็นทุกมรณะเป็นทุกอย่างที้ทุกทีฮะเทศอารยศาสตร์ตรงไหนแล้วเหมือนกันเพี้ยเพี้ยไรทุกขนทุกแหกเทศตอนพระชนอายุสามสิบหอย่างไงตอนพระชนอายุ80ดสกเทศอย่างนั้นแนวเดียวเพราะว่าไอไอชาติชรามรณะนี้ไม่มีทางเป็นสุขไปได้เลยแล้วไม่มีทางเป็นกลางๆงได้ด้วยมันมีแต่ทุกเท่านั้นเองนี่คือพูดกันแนวเดียวทุกครั้งจะพูดอย่างนั้น คนทำกรรมดีย่อมได้ผลดีทำกรรมชั่วย่อมได้ผลชั่วนี้เป็นภาษาที่เรียกว่าตรงตรงตัวกันได้พูดแบบตรงตัวกันไปแนวหนึ่งนั้นเรียกว่าวิพัชชะพยากรตอบตรงๆ ง, งไม่ได้ต้องมีการแบ่งแยกมีการจําแนกตอบทำความตกลงกันเสยก่อนว่าประเด็นของปัญหาตรงนี้มันคืออะไรคุณต้องการอะไรยางในปัจจุบันก็ถามว่ญญ า, ไไาวิญญาณไปไหนในคนตายแล้ววิญญาณไปไหน มันตพูดกันก่อนว่าวิญญาณของคุณมันคืออะไรเพราะวิญญาณเนี่ยว่ากันยุ่งไปหมดเลยในปัจจุบันวิญญาณมันเกลื่อนไปหมดเพราะตกลงทําความเข้าใจในคำว่าวิญญาณใช่ไหมคเมื่อเราตกลงคําว่าวิญญาณกันแล้วก็มองกันในแง่ของเหตุปัจจัยเราจะเห็นว่าปัญหาประเด็นนี้เราพูดเราไปไหนไม่ได้ครับเพราะอะไรพระองค์ประกอบในการปายเป็นยังอีกแยะยังมีกรรมยังมีกรริเลสแล้วก็ใครเป็นคนตายองค์ประกอบมัญญยกแล้วกันพูดไม่ได้อ ต้องตกลงกันก่อนแล้วว่าใครเป็นคนตาคือว่ากันเป็นรายๆไปนะมันมีลักษณะเหมือนกับว่าคนเอามาเล็ดพืชม า, มาเมล็ดหนึ่งมาถามเราว่าปลูก ง, งอกไหมเรามองไกลๆบอกงอกอย่างนี้ไม่ได้มันต้องเอามาดูกันก่อนว่าองค์ประกอบของความเป็นมเมล็ดพืชเนี่ยมันมีสมบูรณ์หรือเปล่าใครอ า, อ, าอาจจะเอาเหล็กแหลมๆไปตำที่ที่หน่อเสร็จแล้วก็ได้ เราก็ต้องดูให้ดีเสีก่อนแล้วก็เมื่อเราดูในส่วนของมเมล็ดพืชดีบอกเออถ้าคุณไปได้น้ําได้ดินนะได้ปุ๋ยเข้ามาแล้วก็ปลูกนอกมันยังยั ง, ย, งยังมีองค์ประกอบมีองค์ประกอบที่ที่จะให้งอกหรือไม่งอกอยู่อีกดังนั้นเรื่องเรื่องเหล่านี้จึงมีการจําแนกตอบเช่นว่าใครตายอย่างเงี้ยใครตายเราก็ต้องถามว่าคนเราทุกคนไม่ใช่ว่าตายแล้วจะต้องเกิดหรือว่าตายแล้วจะต้องตกนรกตายแล้วจะต้องขึ้นสวรรค์ตายแล้วจะต้องเป็นอะไรเนี่ย ้วขึ้นอยู่กับองค์ประกอบก็คือกรรมของบุคคลแต่ละคนว่าบุคคลหนึ่งมีกรรมอีกอย่างหนึ่งแล้วอก็ไปตามสมควรแก่กรรมของเขาก็ว่ากันไปเป็นรายๆในกรณีนี้นอกจากมันตรงตัวอยู่แล้วนะฮะตรงตัวอยู่แล้วคือหมายความว่าคนคนนั้นอิทธิพลของกรรมสำแดงเบ็ดเสร็จไปแล้วคือเขาอุบัติแล้วอันนี้เราก็บอกได้ อย่างพระพุทธเจ้าได้รับสั่งเล่าถึงคนนั้นคนนี้คนโน้นไปเกิดที่นั้นที่นี่เนี่ยอันนี้ไม่แปลกคือว่าเขาเสร็จไปแล้วก็เกิดไปแล้วเราไม่ได้พูดถึงขั้นตอนที่จะให้ไปเกิดแต่ก็พูดถึงตัวผลไปแล้วอย่างเช่นมีพราหมณ์คนหนึ่งชื่อวังคีสะท่านเรียนแตกฉานในมลเขาเรียกว่ามลเคาะศีสะศพหรือเคาะแล้วก็รู้เลยว่าใครจะไปบังเกิดในที่ใด พวกพราหมณ์ก็ถือประโยชน์จากความรอบรู้ของท่านก็นำท่านไปหาไปไปหากินนะฮะไปถึงเมืองสาวัตถีคนก็ก็ไม่สนใจฮะเพราะมือขนาดนี้มันมาเทียบกับพระพุทธเจ้าแล้วก็จิ๊บจ้อยมากกันเลยก็ไม่สนใจไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระเจ้าให้เอาศาีรษะคนมาสีส่ศีรษะห้าศาีรษะให้ท่านเคาะท่านเคาะแล้วบอกได้ตลอดเลยสี่ ศรรีรษะนะฮะเจ้าสาทุกทุกแหอันนี้เราพูดผลแล้วนะคือคนนี้ก็ตายไปแล้วแล้วก็ไปเกิดแล้วเรียบร้อยไปแล้วอันนี้กลายเป็นเอกังสะได้ข้อแรกได้พอมาถึงศีรษะที่สีรร่ที่ห้าเคราะเท่าไรไม่รู้เรื่องพออรพรเรรพราะอะไรเพราะเป็นศีรษะพระอรหันต์มันไม่มีคติไม่มีพบไม่มีอะไรนั่นก็บอกไม่ได้นอกมนนะฮะนอกไปจากขอบข่ายของมนต์เหมือนมนต์ ข, ของพวกปริพาชก ร, รู้ไม่ได้แล้วในที่สุดท่านก็ขอบวชเรียนมนต์ก็เป็นพระหัน์ที่มีชื่อเสียงอยีกคนหนึน่นี่เราจะเห็นว่าแนวนี้เราพูดถึงผลนะฮะเพราะฉะนั้นในการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆเราจะดูเราพูดกันช่วงไหนช่วงเหตุหรือช่วงผลก็ต้องดูให้ออกปัญหาที่ท่านโปตลิปริพาชกถามนั้นท่านถามช่วงผลช่วงเหตุนะฮะที่จริงถามช่วงเหตุคือท่านถามด้วเจตนาถามด้วเจตนาซึ่ง ท่านสมิที่เองก็ควรจะจับจับทางให้ถูกแต่ท่านจับไม่ได้ปัญหาประเด็นนี้ควรจะใช้วิพัฒนาพยากรจำแนกตอบคือต้องหมายความว่าเจตนาเขาเป็นอะไรเราถามดูเสียก่อนเจตนาก็เป็นอะไรประกอบกอกด้วยกุศลอกุศลด้วยกัางกลางเมื่อถ้าเจตนาเป็นเหตุเป็นอกุศลก็ต้องมีผลเป็นทุกขเวทนาเจตนาที่เป็นกุศลก็ต้องมีผลเป็นสุ ข, ขเวทนาเจตนาที่เป็นกลางกลามันก็มีผลเป็นกลางๆ ก็แล้วแต่เวทนามันก็มีสามเนี่ยฮะเวทนาทไมจะมีสา ม, มันก็ออกจากเจตนาในการกระทำจากจากเจตนาในการกระทํากรรมของบุคคลซึ่งเหมือนกันแต่ท่านสมิธิกลับใช้วิธีแรกคือเอกังสะพยากรมิพระเจ้าพยากราากรนะ็คือการจําแนกแบ่งแยกตอบหมายความว่าต้องดูทิศทางของปัญหาให้ชัดว่าอะไรเป็นอะไรนะ อย่างยกตัวอย่างง่ายๆหนังสือที่แพร่หลายก็คือหนังสือเรื่องพระยามิลินพระยามิลินท่านจะเห็นว่าที่พระนาคพระยามิลินถามพระนาคเสนว่าพระคุณเจ้าชื่ออะไรพระนาคเสนบอกชื่อนาคเษนตอนก่อนบวชเรียนชื่อสิงห์เสนบ้างสุรเสนบ้างเสียเสนบ้างแต่ว่าตอนบวชเนี่ยนะเพื่อนเรียกนาคเษนเป็นการถามแบบสมมตินะฮะถามแบบสมมติกันด้วยภา ษ, าษาธรรมดาๆกัน แต่พระยามีลินท่านก็หักมุมไปออกไปในรูปปรมัตดท่านถามอะไรชิวานาเกษตรก็จับจากหัวมาถึงเท้าถามมาชิละชิ้นเลยผมชิละเส้นกันเลยวานาเกษตรก็ต้องปฏิเสธเพราะถ้าตอนนี้แล้วก็ต้องแยกแล้วต้องแยกตอบครับอันนั้นคือผมนาเกษตรอันนั้นคือผมอันนั้นคือคนันั้นคือเล็บก็แยกกันนะการมองปัญหาจึงต้องมองว่าในแต่ละจุด เ, ดเขาเขาต้องการพูดเรื่องอะไร เราก็ควรจะใช้แนวไหนบางแนวเราก็ใช้เอกังสะคือพูดเป็นแนวเดียวทนดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดแก่เจ็บตายเป็นความทุกข์เนี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงมันก็ต้องใช้หนึ่งแต่ถ้ารูปบางครั้งเนี่ยโอกาสที่จะเป็นอย่างอื่นได้ก็ต้องจําแนกวิธีอีกประการหนึ่งนั้นพระพุทธเจ้าใช้เรียกว่าปฏิปุชาพยากรณ์เป็นการพยากรณ์แบบไม่ต้องตอบเลยไม่ต้องตอบเลยถาม ถามถามถามถามถามถามคตอบเองคือคนที่ถามเรานะจะตอบเราเองโดยเราไม่ต้องตอบอะไรเลยส่วนมากแล้วจะทรงโต้อตอบกับคนที่ถือตัวเป็นนักปราชญ์คนที่อวดเก่งมาได้เรียกว่าพวกเสือสิงห์กระติงแร่ทั้งหลายเนี่ยฮะจะใช้วิธีตอบอย่างเงี้ยพระเจ้าไม่เคยตอบเลยฮะต่ใช้ถามเราถามให้คิดเอาคิดเอาคิดนอาคิดเอาคิดเอาคือพวกนี้มันเป็นอะไรมันเป็นคนที่มีความคิดดีอยู่แล้วมันมีอ ความรู้นะฮะเจิงปริยัติเนี่ยเขาดีอยู่แล้วแต่แกไม่คิดของแกเองอะ่ะในคิดของแกเองมันก็ถามไม่คิดใช่ถามไม่คิดพอคิดแล้วแกคิดออกคิดออกมันก็ออกมาเป็นคําตอบเองบางทีนี่แกอาจจะมองในมุมเดียวในแง่เดียวเช่นว่ามองในรูปของออความเป็นตัวเป็นตนเนี่ยโดยไม่ได้มองอีกมุมอื่นท่านก็อาจจะปักใจเชื่อลงไปเช่นนั้นได้ ดังนั้นเราก็เอาคําถามในตะล่อมมาถามท่านถามท่านถามถามถา ม, ถา ม, ถา ม, ถามแล้วก็ออกมาจะเป็นคําตอบคําตอบในะปัญหาในลักษณะนี้ถ้าที่สังเกตจะใช้กับคนอวดดีนะฮะคนอวดดีหรือปัญหามันมันไม่ค่อยจะมั่นคงในลักษณะของปัญห า, าก็แนวเดียวกับที่พระนาเกษตใช้โต้อตอบพญามิรินพอพญามิรินถามอยางนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นนฮะถามว่าผมหรือชื่อพนากเกษตคิ้วหรือชื่อวนากเกษตรตาหรือชื่อวนากเกษตด้วยมาทั้งก็ปฏิเสธด้วย พญยาเยลินก็ไปหักล้างบอกว่าเอ๊พระคุณเจ้านี่อะไรพูดจาไม่อยู่กระร่องกระรอยแต่ก่อนนี่บอกว่าชื่อน่ากเกษณ์ถามไปทํา ม, ม า, กากระไใชื่อน่าเกษณ์นี่เป็นโกหกยังใช่ไม่ได้ไม่น่ากเกษนถ้ า, ไาไบไม่ไหวเลยโยมเนี่มาจากวังเนี่มาด้วยอะไรมาด้วยรถมาพระพิจิญญาณนะว่ามาด้วยรถอ่ะมาด้วยรถอะไรชื่อว่ารถงอนหรือแอกหรือก็เปลาหรือก็ถามมันทีละชิ้นน่ย หยิบรถมาทีละชิ้นมาถามมันก็ไม่มีรถอีกเลยไม่มีรถอีกนี้เราจะเห็นว่าใช้ย้อนถามเอาเราไม่โต้อตอบกขาไมเสียเวลาเปล่าเขามีอะไรเหตุปัจจัยที่จะหาคําตอบได้อยู่แล้วเราไม่ตอบเราก็ใช้พิธีถามเปาในการโต้อตอบกันแนวนี้เราจะเห็นว่าปัญหาบางอย่างแม้แต่เด็กเราจะไปอธิบายแกนะบางเรื่องเราถามแก่จากนี้ยังย่างพระพุทธเจ้าไปพบเด็ก ไล่ตีงูเขียวถามอะไรรับสัง่งถามมาทําอะไรกันเด็กๆตีงูตีทำไมต่อไม่ได้เออต่อไม่ได้แล้วถ้าถ้าเขาตีเธอบ้างจะเอาไหมไม่เอาทําไมไม่เอากลัวเจ็บแล้วงูล่ะกลัวเจ็บป่ะแกก็ได้คิดกลัวเจ็บพ่อจ้าก็บอกเนี่ยคนเราเนี่ยสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันกลัวเจ็บนะ คนเราต้องคิดให้เป็นทําตัวเป็นอุปมาใจเขามาใส่ใจเราได้แล้วนอะย่าเบียดเบียนสัตว์อยา่าฆ่ากันก็มาสรุปเอาทีหลังฮะแต่ว่าข้อมูลทั้งหมดคือความคิดทั้งหมดนี้เป็นความคิดของเขาที่เขาคิดมาได้พระเจ้านํามาสรุปไปฟังตอ น, นั้นเองเป็นการใช้เขาเรียกว่าปฏิบูชาพยากรแนวนี้มันเหมาะสมหรับการใช้ในกรณีที่คนนั้นเขาถือว่าเขาเก่งแล้วนะฮะแล้วก็จะเราใช้ย้อนเขาเรียกว่า จำนวนบาลรีก็เรียกว่าปลาเรณ่พลังปาเรติคือเอาผลไม้ป่าผลไม้ผลไม้ป่าผลไม้เอาผลไม้ต้นนั้นแหละปลาต้นนั้นอ่ะจำนวนไทยเราก็มีนี่อาดยายซื้อขนมยายอะไรนี่ยอัดยายซื้อขนมยายไม่ค่อยจีนดีหัวจีน เ, นเป็นจำนวนเดียวกันคือเอาคําของเขานันเดงไปถามเขาอีกทีนหนึงถึงว่าที่จริงก็สนุกนะสนุก ว, วิธีนี้ถ้าถ้าเราใช้เป็นแล้วก็สนุก อีกแนวหนึ่งนั้นเขาเรียกว่าถัปัญยะถัปัิญะพยากรปัญหาบางอย่างนั้นไม่ใช่ไม่พยากรแต่พูดออกไปแล้วไม่เป็นประโยชน์สมับคนนั้นนะครพระเจ้า ก, ก็จะหยุดไม่พยากรยังยกตัวอย่างที่พระมาลุงกยบุตรได้มาถามเรื่อง ทิฐิที่แพร่หลายกันในสมัยนั้นนะฮะสิบข้อคนรู้กันแพร่หลายแล้วก็คิดกันแพร่หลายสอบถามกันแพร่หลายพระพุทธเจ้าไม่ส่งพยากรณ์ที่ไม่ส่งพยากรณ์นั้นก็เพราะหนึ่งก็ขี้เกียจจะเข้าไปในวงไพ่โบลคือถกเถียงกันเนะพราะตั้งปัญหาผิดนะครับมันตั้งปัญหาผิดมาตั้งเบือต้นแล้วประการที่สองพูดไปพระมาลุงกยอบุตรกีฟังไม่รู้เรื่องเพราะพื้นฐานไ ม, ไม่ไม่เข้าใจคล้ายๆการที่บายเรยขา คณิตให้เด็ก อ, อนุบาลฟังอ่ะมันไม่รู้เรื่องและประการที่สามนั้นเป็นการมองปัญหาที่ไกลตัวคือแทนที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแต่ก็มองปัญหาที่ไกลตัวพระพุทธเจ้ารับสั่งว่าคนเราเนี่ยมันเหมือนกับถูกลูกศรเนี่ยคนอื่นก็ยิงมากับลูกศรแล้วสูกลูกศรเสียดแทงพิษกำมังกำซาบแผ่ไปทั่วสรีระร่างกาย คนก็จะมาถอนลูกศรให้แล้วมาถามมอย่ารีบถอนก่อนขอดูสิว่าใครเป็นคนยิงยิงทำไมลูกศรนทำโดยไม้อะไรทําไมจึงยิงมันไม่ถามๆก็ตายประเดี๋ยวเสียเวลาเขาถอนลูกศรนไปก่อนเรื่องอื่นค่อยพูดวิธีการของพระพุทธเจ้าจึงจะเห็นได้ว่าพูดไปพูดมาพระเจ้าพูดเรื่องอริยสัจสี่พระธรรมเทศนาทั้งหมดที่นามานามาอธิบายก็ดีที่ใครเทศก็ดีก็คือหลักอริยสัจสี คืต้องการให้บุคคลรู้ทุกรู้เหตุของทุกรู้ความดับทุกขรู้ข้อปฏิบัติได้ถึงความดับทุกข์เหมือนกับคนกระบางที่ถูกลูกสอนเนี่ยมันจะเป็นจะต้องไปไขวยคว้าไกลขนาดนั้นรีบถอดลูกสอนแล้วก็เยียวยารักษาตนเองให้เกิดความสวัส ด, ดีก็พอแล้วเสียเวลาเปล่าไปถกเถียงกันเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรเนี่ยแต่ว่าเราจะถกเถียงว่าใครสร้างโลกอย่างเงี้ยแต่คนนั่นก็บอกพระเจ้าโลกไม่โลกเดียว ไอ้นั่นก็พระเจ้านี่ก็พระเจ้าปรเดี๋ยวก็โลกโลกเดียวก็แย่งกันสร้างพอแย่งกันสร้า ง, งก็แสดงว่าไม่ได้สร้างคนเดียวสร้างกันหลายคนก็ยุ่งไงพอพูดไปพูดมาแล้วใครสร้างท่านเหล่านี้ขึ้นมาอีกอะพอพูดสมมุติหาข้อยุติได้เอาสมมุติว่าพระเจ้าก่อสร้างเอาแล้วใครสร้างพระเจ้าก่ออีกอะก็หมุนเป็นไกายก็ไขอะไร น, นี้หมุนอย่างงั้นนะฮะมันเสียเวลาพุทธะเป็นเรื่องถกเถียงที่เสียเวลาพระพุทธศาสนาไม่ไปเล่นเรื่องเหล่านั้นไม่ไปพูดถกเถียงเรื่องเหล่านั้นมาหาข้อยุติอะไรไม่ได้มาน ไม่ได้เกิดผลไม่ได้เกิดประโยชน์ไม่ได้แก้ปัญหาคือแก้ลูกศรแผลลูกศรไหนแกเราได้เราก็ยังเจ็บเราก็ยังบวดเรายังทุกข์ทรมานกันอยู่จึงไม่เข้าไปกระโจนเข้าไปร่วมวงไผ่บูนกันในกรณีของปัญหาเหล่านั้นเราจะเห็นว่าปัญหาข้อ น, นี้เราเลือกแนวผิดเรื่องแนวการตอบผิดพระสมิธิท่านควรจะเลือกวิพัชนาพยากรแต่ท่านไปเลือกเอกังสะพยากรคือพูดเป็นแนวเดียวแล้วก็พูดดุยดุยไปเลยนะฮะ เราจะเห็นว่าคนถามก็ถามมาหลวมๆซึ่งเราจะต้องตั้งประเด็นปัญหาให้มันถูกเสียก่อนแล้วท่านก็ไปกระโจนร่วมกับปัญหาหลวมๆปัญหาเหล่านี้การถามปัญหาเหล่านี้มาเคยไปร่วมกับพีปลายที่ที่พุทธสมาคมยังนึกขำนะฮมันมีคําถามอยู่ลักษณะยตินี้ว่าในข้อนี้เนี่ยไอ้ตัวเนื้อเรื่องนี่เป็นยังไงไม่ทราบ เขาว่าอย่างไงตั้งอย่างนั้นนะท่านบวชพี่ปลายสามคนท่านพูดกันได้เป็นชั่วช่วโมงเลยนะพอถึงอาจมามาบอกพูดไม่ได้ไอเขานี่ไม่ทราบเขาไหนอ่ะเขาเนี่คุณต้องบอกว่าเขามาก่อนเลยเขานี่คือใครจะก่อนในตั้งปัญหามาอย่างนี้มันตอบไม่ได้ไม่รู้เขาไหนเขานั้นมีความคิดอย่างไงเราก็ไม่รู้เป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นชาติไหนเราก็ไม่รู้อาจมาไม่พูดเรื่องเงี้ยพูดไม่ พูไม่ถูกแต่ว่าถามวาพระพุทธเจ้าว่าอย่างไงเราถ้าเรารู้เราจะเล่าให้ฟังนี่ไปในนิ่ ง, งมาตั้งมารุ่นๆอย่างนั้นไงไม่รู้เรื่องอะเลยพอถึงมามาก็ไม่พูดเลยบอกไปเปลี่ยนนิสิตมาใหม่พูดอย่างนี้มันก็ชวนกันเข้าป่าก็พูดเรื่องเล่นๆไปสนุกสนานไปอ่างั้นแต่ประเด็นเนี่ยมันพูดไม่ได้ปัญหาอย่างเงี้ยเพราะไม่รู้เขาไหนเราไม่รู้จักเขาหนินี่คือลักษณะการตั้งปัญหาเราจะเห็นว่ามันหลวมมาตั้งแต่ต้นพระสมิทธิท่านพูดได้แต่พระพุทธเจ้าทําให้รับสั่งเร เพราะการตั้งปัญหาหลวมถ้าเราจะพูดเราก็ต้องตั้งปัญหาแต่ก่อนว่าเจตนานะคืออะไรอะไรคือเจตนาที่เป็นเหตุให้ทํากรรมทางกายทางวัจา์เจตนาประกอบด้วยอะไรประกอบด้วยความโลภความโกรธความหลงหรือประกอบด้วยความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเจตนามันเยอะนี่นะให้เขาบอกเจตนามาก่อนถ้าเจตนาเป็นอย่างนี้กระทาไปอย่างนี้ผลจะออกมาอย่างนี้ พระเจตานาเป็นเหตุให้กระทํากรรมเจตานานั้นเป็นกรรมแล้วเมื่อกระทําออกไปก็เป็นกรรมเป็นกิริยาผลกรรมก็ออกมาตามสมควรแก่เจตานาเพราะ ง, งั้นเอ่อเจตานาที่เป็นอกุศลก็ผลต้องออกมาเป็นกุเวทานาเจตนาเป็นอกุศลผลก็ต้องออกมาเอ่เจตนาเป็นกุศลผลก็ต้องออกออกมาเป็นสุขเวทนาเจตนาเป็นอกุศลผลก็ต้องออกมาเป็นทุกเวทนาเจตนาเป็นกลางๆผลก็มาเป็นกลางกลม่นขึ้นอยู่กับเจตานา นี่เราก็ต้องย้อนกลับไปตั้งไปทำความตกลงที่ประเด็นปัญหาแต่ก่อนซึงเรื่องนี้เป็นเป็นเรื่องหลักนะฮะไม่ใช่ว่าเขาถามอะไรตอบด้วยถามอะไรตอบด้วยมันทำความตกลงกันเะก่อนไม่อางั้นแล้วจะเข้ารกเข้าพงกันไปใหญ่พระพุทเจ้ารับสั่งว่าหวมแต่มีคำอีกคำหนึ่งซึ่งน่าสังเกตนะฮะในตรงนี้ทรงใช้คำว่าโมคะบุรุษโมคะบุรุษ สมิธโมฆะบุรุษสมมิธิรจบเห็นว่าคําว่าโมฆะบุรุษจริงไม่ใช่เป็นคําหยาบอะไรบกพล่องในกรณีนี้ใช้คําว่าบุกคล่องนะนนั่นเด็เป็นอาการตําหนิเป็นคําเรียกใครทําอะไรบกพล่องแล้วก็ใช้คํานี้เป็นภาษาที่พอเรามาแปลเป็นไทยแล้วก็คล้ายแรงแต่ในภาษาบาลีจริงความหมายไม่ได้แรงอะไรในบางการณีนะฮะในบางการณีถือว่าบกพล่อง ทีนี้มีอีกท่านหนึ่งซึ่งนศึกษาก็คือท่านอุทายีท่านอุทายีนี่บางทีท่านเรียกว่าโลลุทายีอุทายีเลอะอุทายีเลอะเป็นพระที่ออกจะดังอยู่องค์หนึ่งนะฮะในสมัยพุทธกาล ร, รูปร่างใหญ่โตแล้วก็ชอบวุ่นวายด้วยแกมีเรื่องอยู่เยอะนะฮะในโดยเฉพาะพระวินยัยปิฎกนี่เป็นคนดังคนนึ่ง ในแต่กระ t h ก็มีเรื่องอยู่หลายเรื่องมาตรงนี้ท่านก็ชอบอย่างเงี้ยคือแสดงเป็นคนที่ชอบแสดงเป็นคนแปลกเราจะเห็นว่าที่จริงพระพุทธเจ้ารับสั่งกับพระอานนท์นะตอนนี้พระสมมิตทธิเองนี่ไม่ได้พูดไรเลยแต่พระอุทายีก็นั่งเฝ้าอยู่ด้วยพระพุทธเจ้ารับสั่งมาเสรษจแล้วพรมพูดกันมาพรมพวกันาคนล้มหลวมาะพวกลมหลวมเหมือนกันพวกน็อตหลุดไอน้น็อดหลวมพวก น, อน็อดหลวมทั้ทงหลายท่านก็บอกว่า ทำตัวเป็นปรมัดนะฮะเราจะเห็นว่านี่คือการจับสนว่าตอนนี้เราพูดกันในเรื่องธรรมดาไม่จะพูดปรมัตดแน่นอนเลยฮะถ้าพูดถึงในแง่ของความจริงแล้วเนี่ยระดับที่เป็นโลกิยานี่มันทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นตั้งอยู่ทุกเท่านั้นดับไปนอกจากทุกไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกไม่มีอะไรดับแม้แต่สุขก็คือความทุกข์ที่มันลดลงแค่นั้นเองในแง่ปรมัดนะฮะแต่เราต้องรู้ว่าตอนนี้มันปรมัตดหรือว่าสมมติ มันไม่ใช่ปรมามัดเรื่อยเลยพระพุทธเจ้าพูดสมมติสาวกซึ่งยังเป็นปุถุชนในมันล่อปรมามัตดเลยก็พูดกันเรื่องสมมติตอนเนี้แล้วท่านก็ไปปรมามัตดฮะท่านบอกว่าแม้แต่สุขเวทนาก็เป็นทุกข์อย่างหนึ่งไปนนเลยนเก่งฮะเก่งสุญญาตาหมดอะนี่แหละที่ทำเอ า, าศาสนาไปไม่รอดอย่างเงี้ยเราจะต้องเข้าใจว่าเรื่องสมมติคือเรื่องสมมติปรมัตดก็คือเรื่องปรมัตดตอนนี้ท่านโปรตริก็เป็นปุถุชน ท่าสมิธิก็เป็นปุตตชนเจตนาในการถามก็ถามเรื่องปุตุชนธรรมดาไม่ได้ถามเรื่องปรมัตถธรรมไม่ได้พูดเรื่องวิปัสนาญาณอะไรต่อๆกันพระอุทายีก็แสดงภูมิปัญญาของท่านโ อ, อ้นี่แปลกฮะท่านถามตั้ ง, ง, งเยอะจนว่าขนาดความสับสนของท่านเนี่ยพระพุทธเจ้าได้รับสั่งล่าก็เรียกว่าเป็นคนที่เรียกว่ายกให้ยกให้แกแกเป็นแกอย่างเนี้ย พระเจ้าว่าอุทารีอุทายีเนี่ยก็เป็นเขา อ, อย่างเงี้ยแม้แต่ชาติก่อนชาติก่อนเนี่ยพระเจ้าเล่าว่าพระองค์เคยเกิดเป็นลูกของเขานะฮะเป็นเคยเกิดเป็นลูกของอุทายีตั้งนานนะที่โสมัทธัตมานพพ่อตันถัยนาลูกเป็นบุรุษิตพอดีวัวมันตายพ่อก็มาลูกชายก็บอกว่าพ่อไปขอในหลวงที่ขอพระเจ้แผ่นดินจใจผมไม่ขอไม่น่าเกลียด ก็ตกลงก็ขอแต่ทีนี้แกพูดสับไปสับมาเนแกพูดเลอะอยู่เลูกชาก็เรียนแนะนำบเข้าเฝ้าในหลวงตรงว่าอย่างนั้นทำตัวอย่างนั้นเดินอย่างนั้นนั่นเสนาบดีจัดผังให้เสร็จเลยแล้วทำหุนฟางให้ดูเลยวิธีเข้าเฝ้าเนี่ยแล้วก็ท่องคาถากราบทูลให้เสร็จไปรอบอกข้าพระองค์นั้นไถนาด้วยโคสองตัวในโคสองตัวนั้นตัวหนึ่งตายแล้ว ขอขอพระองค์ได้โปรดกรุณาประทานโคตัวที่สองให้ทองเรียบร้อยมั่นใจนะพ่อมั่นใจตามได้แม่นนะแม่นไปเรียบร้อยลูกชายก็ต้องไปก่อนนะเพราะขขเขา เ, เป็นบริหิทธ์อันนี้ก็ให้คนมานําเข้าฝ่าไปถึงอย่างไงเรียบร้อยหมดเลยครับพอถึงกราบทูลว่าข้าพระองค์ไยนาด้วยโคอยู่สองตัวโคตัวหนึ่งนะตายไปแล้วขอพระองค์ได้โปรดกรุณารับโคตัวที่สองมาด้วย ไปให้โคก็ได้เนี่ยบอกให้โคก็เลยไปขอโคอ่ะลูกชายก็ยืนอยู่ข้างๆพระเจ้าพโภมทัศน์ว่าเป็นไงโสมทัศโคที่บ้านแยเ่เลยโภมทัศน์ก็โสมทัตก็บอกว่าโคที่พระองค์ให้มันก็แย่ครับเออพูดดีคือว่าถ้าพระองค์ให้มันก็แย่แหละพระเจ้าพโภมทัศน์เลยให้โคเป็นฝูงเลยีนี่นี่เราจะเห็นว่าคือคือท่านก็นเลอะของท่านอย่างนั้น มันติดสันดานนะเขาเรียกว่าสันดานสันตานะคือมันสะสมอยู่ภายในจิตสันดานคนไม่เป็นอย่างนั้นอนะ่ะคนบางคนเนี่ยพระพระพุทธเจ้าต้องรับสั่งเล่าประวัติว่าเขาสืบสันดานเขามาเป็นอย่างนั้นเด็ดแก้ไม่ตกที่เราพูดคำนวนทางศาสนาวาสนาเขาเป็นอย่างนั้นเนี่ยคนอย่างเงี้ยเขเป็นเขาอย่างเงี้ยชาติก่อนก็เป็นอย่างเงี้ยย้อนไปอีกชาติชาติมันก็เป็นเขาอย่างเงี้ยแล้วบางคนเนี่มันเรียบร้อยสวยงามเหลือเกิน อย่างสมมติว่าพระเทราบางรูปเช่นพระนน์พวกนี้เป็นคนที่เรียบร้อยสวยงามก็ที่จริงพระอาหารหันต์นั่นก็เรียบร้อยด้วยกันนั่นแหละแต่ทำไมว่าพระพระนน์เป็นพุทธนุชาจึงได้รับยกย่อ ง, องว่าเป็นคนเรียบร้อยเพราะว่าท่านเคยเกิดเป็นพระยาราชสีมันราชสีมันสง่าแบบราชสีต้องระมัดระวังยั่งกลายสวยงามแบบราชสีแล้วก็ น, นิสัยสันดานก็ติด ติดแบบราชสีจะทําอะไรสวยงามไปหมดเลยเยื่องกรายลีลาท่าทางเนี่ยเขาเรียบร้อยเป็นฝังมาในจิตสันดานถ้าเราพูดว่าสันดาลในสำนวนวาสนาเขาเรียกว่าสันดาลเป็นภาษาบาลีนะฮะสันตานะคือมันเก็บสะสมมาเยอะพฤติกรรมมันก็ออกมาอย่างงั้นน่ะคนเราเลยไม่เหมือนกันนะอาตมาเคยสังเกตคนวันที่เดินคนเฮ้ยคนมันแปลกเดินไม่เห็นเหมือนกันทักคนเคยสังเกตดเลยแปลกจริง คือมาคิดเรื่องกรรมนะฮะเราก็เดินอะไรเราก็พยายามคิดมันเป็นประโยชน์เราเดินดูคนแปลกเลยคนเดินไม่เหมือนกันแม้แต่เาฝึกทหารแล้วก็เอาจิงๆแกก็ไม่เหมือนกันนะวันก่อนในปวบรมทหารราชบุรีนั่งดูดูก็ก่อนจะพูดทหารเองก็เดินไม่เหมือนกันนี่นี่คือแสดงว่าไอ้ตัวสันตานะคือสันดานจริงๆนั้นเกสสะสมมาไม่เหมือนกันนั่นมีเหลื่อมลำ t t ้ำต่ำสูงอะไรอะไรกันนิดนิดหน่อยๆเราทำยังไงยังไงคนก็ไม่เหมือนกันอย่างนั้นแหละ พระอุทายีนี่ท่านก็เป็นเขท่านอย่างนั้นแหะท่านอุทายีเนี่ยเป็นก็ท่านอย่า ง, ง น, า น, านั้ น, น, งงนในสมัยพุทธกาลยิ่งหนักขึ้นไปกว่านั้นดิเรื่องหนึ่งนะฮะคือคื อ, ค, อคือเราแสดงให้ลักษณะคนคนพร่งพร่งคนหลุ่มหลุมนะฮะมันก็ไม่ได้มีสมัยพระพุทธเจ้าหรอกในสมัยปัจจุบันก็มีมีคราวหนึ่งเขายกจ้องอุบาสกยกจ้องพระสารีบุตรพุกมาเทศได้พลอยเราะจับใจลึกซึ้งท่านก็แม้ อิจฉานะฮะอิจฉาอิจฉาพระอาคสาวกเลยท่านบอกเอพวกนี้ยินภาษาได้บุตรเทศขนาดนี้มันยอกันได้ขนาดเนี้นี่แต่ได้ยินเราเทศแล้วแหมไม่มีปากจะยองเปรยๆขึ้นนะะคุณก็ได้ยินเพราะท่านทางท่าทางท่านดีะฮะท่านกูจะยินนี่ท่าทางท่านดีมากปกลิก็ดีอุบาสกบาติกาก็เฮโลสารภาพอยากฟังหลวงพ่อเทศอยากฟังหลวงพ่อเทศ ไม่เป็นไรล้วให้องค์นี้ก็เทศไปก่อนปเดี๋ยวอัตามาจะสวดสรรพันญะญให้ฟังคือก็เทศรุ่งนะฮะเมื่อก่อนในเทศรุ่งสวดสารพันญะญให้ฟังพอถึงมัธฉิมยามเขาจะให้ท่านสวดสารพันญะญท่านบอกให้ให้องค์อื่นก็เทศก่อนเเดี๋ยวมาจะเทศตอนปัจฉิมยามพอถึงปัจฉิมยามก็ยังไม่เทศเพราะเทศจริงๆท่านก็เทศไม่ได้เทศจริงๆท่านก็เทศไม่ได้ แต่มันก็อยากได้ฮะอยากได้สันเสริญอยากได้คํายกย่องสันเซิลก็เลยพูดมันวางเครืองเล่นๆไปไงั้นอย่างน้อยๆก็คนมองท่านอยู่ครึ่งคืนแหละเดี๋ยวรอหลวงพ่อเทศดูหน่อยนี่ก็เป็นวิธีคนหนึ่งนะเป็นเป็นวิธีการอย่างหนึ่งซึ่งเราจะเห็นว่อ้พฤติกรรมกิเลสอาการของกิเลสมันเกิดแก่ใครในยุคใดสมัยใดมันก็ออกมาคือคือกันนั่นเหมือนเหมือนกันของโลภะโทสะโมหะออกแก่ใครในยุคไหนสมัยไหนสมัยรูุ้ทธจ้ามันก็คือคือกันนั่น พอตกพอรุ่งขึ้นเช้านะฮะท่านยังไม่ยอมเทศอ่ะถ้าม่ยอมเทศชาวบ้านก็ตามเตื้อเทศทั้งก็วิ่งเลยทีนี้วิ่งหนีมึงก็ห่วงนอนด้วยเลยตกท่วมเลยแล้วเนี่ยเรื่องมาเนี่ยกันท่า น, นเละเทอดกันมาจนเห็นหพระเจ้าต้องได้รับสั่งล่าเรื่องว่าอุทายี่แกเป็นยังอย่างเงี้ยแต่ว่าขราวคราวหลังเนะ่ยมายังไม่พบหลักฐานพระเทรซเคยเล่ามาฟังว่าคือหลักฐานบางอย่างเราตามยากคนไหนที่ ออกจะ ก, กลางๆางในสมัยนั้นเราก็พยายามสืบสืรับพยายามสืบๆดูว่าต่อไปนี่นเป็นยังไงพระพุทธายีทีหลังถ่ากลับตัวได้เป็นยังไงเพราะงั้นเราจะเห็นว่าตอนนี้พระพุทธเจ้าประคับประคองเอาไว้ติดเนี่ย เ, เธอมันพลงเรื่อกพลงขึ้นมา ล, ายลอยไม่มีเหตุมีผลอะไรไม่มีอะไรแรงๆนะฮะและตำหนิก็ไม่ตำหนิแรงๆบางทีพระพุทธเจ้าไปรับสั่งนะสันดานก็เป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าพราะองค์รู้ว่าองค์นี้ต้องบ่มอินทรีย์ตรงเนี้ต้องบ่มอินทรีย์อยู่ก่อน ตอนนี้เราจะปล่อยแกไปก่อนนะ่ะเดี๋ยวจะเอาเรื่องเอาราแกนักกันไปก็ได้แล้วแกก็เป็นกันอย่างงั้นแต่เราพยายามบ่ม see. อินทรีย์อินรีย์นั้นถ้าเราพูดก็คือความพร้อมนะฮะความพร้อมเราจะพบว่าอย่างลูกหลานอะไรแต่ไรคนใต้บังคับบัญชาของเราเนี่ยบางทีเราต้องรออินทะรียแกนะเราอินทรีย์แกจะต้องเป็นอย่างนั้นโดยเชี่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างงี้เป็นอย่างง้นไม่ได้หรอกถ้าแกเก่งขนาดนั้นแกก็เหมือนเราแล้วล่ะ ต้องรอแกไปก่อนรอความพร้อมแกไปก่อนร อ, รอความเจริญเติบโตในด้านอินทรีย์ต่างๆกไปก่อนอย่างปัญหาเรื่องเยาวชนนะฮะถ้าเราลองเข้าใจในปัญหาเ่นี้มันก็หายไปหายไปน ะ, ะับพอแกโตขึ้นมาหน่อยอายุสั้ง0ีบกว่าๆ25เลยไปแล้วแกก็เริ่มปรับตัวแล้วแกจะอยู่ในชุมชนอีกเหล่าหนึ่งอีกระดับหนึ่งนะเพราะงั้นในตรงนี้ก็จะลอจะลอแกไปก่อนอะไรก็ให้อภัยแกอดทนแก แล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมแก่ไปเรื่อยๆวิธีการเลี้ยงสาวกของพระพุทธเจ้าท่านมีลักษณะอะไรอย่างนั้นอย่างพระพุทายีนี่ท่านท่านยุ่งน่าดูเลยท่านยุ่งน่าดูเลยในวินัยนี่เยอะเลยท่านไปเป็นจุนจัดเขาเรื่อยเลยแต่เอาก็จริงท่านไปของท่านได้พระพุทธเจ้าท่านรอท่านบ่มบารมีของท่านท่านบ่มอินทรีย์ภาษาบกเนี่ยท่านดูคือคือพระพุทธเจ้าท่านรู้ภาษาวกทะลนรุกปกหมด คนไหนเป็นยังไงเอาตรงนี้ประครับประคองให้ก่อนเดี๋ยวรอไปอย่างที่เคยเล่าเรื่องพรันนะเนี่ยพระชนะนันนาในท่านจุนจานไมาจะเล่นงนั้นนะพระเจ้าก็ประคองมาตลอดพระชนมายุคประคองเอาไว้คือไม่ถึงอะไรก็ผิดชทรกันแต่ท่านก็แหลมไปแหลมมาเฉยเลยพระอุทายีก็มีลักษณะอย่างนั้นมีเยอะพระแบบเนี้ยพระสัพพคีพระอุทายีพระติดสะพระสัตรวาคีอะไรอะไรเป็นกลุม่มเป็นกลุม่มเนี่ยบางที ม, ทมั่วหน้าด้วยแต่ว่า อย่างนั้นอย่าก็ประคองไปประคองไปพอท่านโตขึ้นเจริญขึ้นฟังอยู่บ่อยๆธรรมะนี่ขอให้ฟังบ่อยๆให้คิดบ่อยๆทดลองปฏิบัติบ่อยๆนั่งบนรถเมล์เต็ที่จะคิดเอออะไรแฟชั่นมาใหม่ๆมั่งจะซื้ออย่าไปคิดจ่ายตามมันคิดจะเป็นธรรมะได้มั่งดูความวุ่นวายต่างๆในตลาดจอแจเหมือนกัะหนังการ์ตูนอะไรอะมัวุ่นวายไม่กิเลสมันผลักดนนันในคนเรากิเลมันดันแบบคนละเมอะเรามองอะไรมั่ง เป็นธรรมะเนี่ยมันก็เก็บค่อยสะสมขึ้นเก็บสะสมขึ้นเก็บสะสมขึ้ น, สสนประวันดีคืนดีเนี่ยไอ้ปัจจัยต่างๆที่เราเก็บสะสมว่ามีมากพอนะก็าทาให้แนวความคิดอะไรต่างๆเราค่อยรมรสมเหตุสมผลมีหลักมีเกณฑ์มากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นการบ่มอินทรีย์ในระดับนีน้นี่ก็เป็นเรื่องที่ท่านทั้งหลายจะเห็นว่าเหตุผลในทางพระพุทธศาสนานั้น ปฏิปทาของพระในสมัยพุทธกาลเนี่ยคือพิทักษ์รักษ า, าศาสนาเพราะฉะั้นอย่าอย่าไปมองอะไรว่าเป็นหน้าที่ของคนโน้นเป็นหน้าที่ของคนนี้เป็นหน้าที่ของคนนั้นไม่ใช่ทั้งอุบาสกอุบาสิกาทั้งภิกษุทั้งสามเณรมีอะไรที่ใครมาบิดเบือนมาใส่ใครหรือมาลบล้างประสัทบริษัทพุทธบริษัทเองขนาดพระสมมิทธิอายุสามรรษาเอง ท่านก็ปกป้องกัท่านแล้วเต็มตามกำลังความสามารถนะถึงแม้จะหลวมๆแต่ก็เป็นการกระทําที่ควรแกการยกย่องนี่ก็เป็นหลักตอนหนึ่งยังไม่ยังไม่เข้ามาหากรรมวิพังกระสุดก็อันนี้ต้องขอจบแต่เพียงท่านนี้ก่อนขอสุขสันต์วันปีใหม่โดยทั่วกัน